ท่านพูดว่าคำว่าโลกก็คือมอ unless, unless, değil, ูสัตต์สัตตะแปลว่าผูกสัตตะแปลว่าผูกข้องยังติดยังข้องพายพาข้องเพียงธรรมนั้นขอสราบกันแล้วท่านปานนาว้ตั้งหลายพบหลายภูมเพื่อนแน่ตั้งแต่ภูมิ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 ที่นี่จิตนี่สูนไหมนัะทั้ำกับอีกสิทิ้งเมอไมีอะไรงเงื่อนต่อแล้วหมดแล้วเรื่องความที่จะไปตาจะเกิดต่อไปอีมนี่เป็นอนันว่าหมดปัญหาแล้วกับจิตตรงนี้ที่นี่จิตดวงที่หมดปัญหานี่มันศูนไหมนั่งอีกย้อนลงไปอีกมันยิ่งเด่นนะ่แล้วอะไรมาศูนฮนี่เราความจริงมันเป็นอย่างนี้เราจะอะไรมาสูนมันยิ่งเด่นเด่นยิ่งกว่าแต่ก่อ น, นเด่นจนพูดไม่ถูกนีมันขัดหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว ขึ้นชื่วปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกิดให้พาเกิดพาตายให้พารักพาชังพายุ่งเหยิงวุ่นวายมากน้อยตามส่วนหนึ่งเครื่องมันที่มีอยภาในใจได้หมดชิ้งไปแล้วไม่มีอะไรเงื่อนต่อแล้วแล้วผู้ที่ไม่มีเงื่อนต่อตนเองคือผู้บริสุทธินี้ศูนไปไหมทิ้งนานออกนี้ทชัดๆอย่างนี้แล้วจะลบได้ไหม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 ดวงนี่แหละหากว่าสูนย์ยจริงแล้วําไมบททํามบทนี้จะขึ้นรับกันไม่ได้จะอะไรมารับมันสูนหมดแล้วจะอะไรมาเป็นสุขอย่างยิ่งได้ล่ะเนี่ยโลกคือมูสัตว์มูสัตวตรงนี้เองตรงที่มีเชื้อให้เกิดอยู่ภายในจิตนี้เองท่านเรียกว่ามูสัต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 สวัสดิตัวพระกรตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้พระเจ้าต ร, รัสไว้ชอบแล้วางานทั้งสิ้ชอบทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเบนนื้องต้นเป็นอาทิกนิยานังเหุไตรลักเพราะพิ้งเต็มไปด้เหตุด้วยผลทั้งเบนนื้องต้นมัชเชกนิยานังไตรลักเพราะพิ้งเต็มไปด้เหตุโดยผลเป็นไปด้วยความถูกต้องดีงามทั้งทารามกลางประโยนะ์ประโยชส า, ารนักนิยานังไตรลักในที่สุด